นั่งนานๆนั่งภาวนาหนิหนั่งนานๆนั่งต่อสู้นั่งจนเจ็บจนปวดได้ต่อสู้กับความเจ็บความปวดนั่นแหละมันจะต้องได้ใช้ความปวดความทนไม่งั้นไม่รู้ว่าอะไรเจ็บอะไรปวดแหละนั่งสบายๆเคลินๆซะหน่นนนอยหนึ่งเดี๋ยวก็หลับ ไปสบายไปคลิน้นสักหน่อยหนึ่งนี้ก็หลับไม่เปลี่ยนท่านั่งนั่งจนเจ็บจนปวดแล้วก็พิจารณาความปวดต่อไปเลยต้องภาวนาต้องผ่านความปวดความทนอย่างยิ่งอดทนต่ออารมณ์ที่มันพ่านึกผาคิดมันอะไรกันหน้าอะไรกันหน้าอะไรกันหน้าก็จิ้มไปตรงที่มันพ่านึกผาคิดอยู่ไม่หยุดไม่ย่อนน่ะ ตัวที่มันแย่งไปเนะี่ยมันละเอียดเราพยายามย่อนดูลงไปย่อนดูใจเนะี่ยย่อนดูใจใจที่มันไปกับความเพลินไปกับความหลงเนะี่ยสติเราไม่ทันปัญญาเราไม่ทันมันดึงจิตเราไปดึงไปแล้วก็ดึงกลับมา อยู่กับกายก็ให้อยู่กับกายจริงจริงจิตอยู่กับกายก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกายจริงๆมีความรู้ตัวอยู่กับกายจริงๆพิจารณากับกายเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับเวทนาก็เหมือนกันอยู่กับเวทนาก็อยู่กับเวทนาจริงๆริงไม่ปล่อยให้ความอยากมันมาแทรก ว่าเราเก็บว่าเราปวดอยู่กับกายอยู่กับเวทนาหมายถึงปวดทางกายเนี่ยอยู่กับจิตอยู่กับจิตอย่างเดียวก็เท่ากับอยู่กับเวทนาขันธ์ัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์นี่เราอยู่กับจิตอย่างเดียวนะเพราะขันธ์ทั้งสี่ที่เป็นนามขันธ์เนี่ยมันทำงานมันจะสัมผัสสัมพั์กันตลอด เวทนากายก็ตามเวทนาจิตก็ตามมันจะมีตัวสัญญาแทรกเข้ามาคอยกระซิก็ทราบมันจะมีตัวปรุงต่อเนื่องเข้าไปอีกอีกจิตเป็นผู้ปรุงต่อเนื่องอารมณ์อะไรที่มันชัดที่สุดจิตรับรู้จิตรับทราบอารมณ์ที่ชัดที่สุดก็คือวิญญาณ<ม>อยู่กับจิตก็เท่ากับอยู่กับนามขันทั้งหมดนั่นแหละเรากาหนดดู เวลาจิตไม่อยู่กับกายมันก็มีความรู้อยู่เฉพาะกายไม่มีเราไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ปล่อยมันแทรกเข้ามาอยู่กับเวทนาขันธ์ก็ตามอยู่กับสัญญาขันธ์ก็ตามอยู่กับสังขารขันธ์ก็ตามอยู่กับวิญญาณขันธ์ก็ตามเราพยายามเข้าไปอยู่กับ ผู้รู้ผูนั้นแหะเอาผู้รู้เข้าไปอยู่กับมันนั้นแไม่ใหมันเกิดช่องว่างมาให้มันเกิดรูรั่วไม่ใหมันเกิดความมืดมืดทึบเพื่อให้ที่ความกิเลสเห็นแก่ตัวมันจะแทรกเข้ามาต้องทันมันถ้าอยู่มันอยู่นึกแล้วก็โอ้ เงาอื่นมันดำหมดออยู่กับกายอยู่กับกายจริงๆมันดับหมดเงาอื่นมันดับหมดเ ง, งดดาตัาง้งใจดูพิจารณาดูอันนี้ในครั้นที่เราำลำรีตามเอาสติกําหนดจดจ่อดูตามทีเราต้องกาให้สงบเราก็ดูพิจารณาดูไปอยู่กับลม อยู่กับลม อ, อย่างเดียวแต่ถ้าเราเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งแหละมันจะสัมผัสสัมพันธ์กันวิ่งต่อเนื่องกันหมดมันละเอียดมันละเอียดนะวิ่งต่อเนื่องกันหมดย่ากันหมดจดจ่อตามดูเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธผู้ว่าพุทโธก็คือจิตนั่นแหละคือผู้รู้นั่นแหละ พยายามจะดึงจิตให้มันดูให้มันเด่นให้มันชัดที่สุดอาศัยความกระตุกคือพยายามยกอารมณ์ขึ้นมาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่เป็นต้องใช้ความอดทนใช้ความเพียรอย่างต่อเนื่องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธผู้รู้ว่าพุทโธผู้ดำรีว่าพุทโธก็คือผู้รู้นั่นแหละคือจิตผู้รู้นั่นแต่มันเป็นวิธี ที่ดำริให้เกิดความตื่นเน้อตื่นตัวของจิตขึ้นมาอีกอันหนึงที่เรียกว่าสติเราเลิกได้สติเราเลิกได้สามัญญาคือความรู้รู้รู้ตัวว่าเรากําลังดำริให้มันอยู่ยับยับยับยับยั บ, ย บ, ยบไม่ฝืนไม่ฝ่าฝืนไม่ไม่เกร่งไม่ฝืนอ่ไม่กลั้นลมปล่อย เอาออกตามสบายพุทธน้ำริโทพุทธเข้าน้ำรีพุทธออกน้ำรตโทก็คอยว่าว่ายาวยาวอย่าว่ามันสัน้นอันนี้ได้ทั้งพุทธได้ทั้งพุทโทได้ทั้งลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าพุทมันก็ไหวไกายลมหายใจออกโทมันก็ไหวไกายไหวกายลมเป็นกาย เราทำต่อเนื่องกันไปให้รับความเบาเบาใจเหมือนกับควายเปลยนั่นแหละเบาสบายคร้เคลิมจะหลับไม่หลับความสงบมันมีความสงบมันพอเร า, าจิตล้สับมาเข้าความสงบก็เริ่มเข้ามาความส ง, สงบก็เริ่มมีมัน จ, จะเคลิ้มเคลิ้มก็ต้องระวังเหมือนกันไม่งั้นเดียวกันหลับ ต้องพยายามนำอารมณ์สติมันตื่นอยู่ตลอดไม่งั้นหลับแต่ถ้ามันตื่นจริงๆมันโรมันอยู่กับตัวเนี่ยมันไม่หลับมันยิ่งตื่นยิ่งตื่นเน้อตื่นตัวขึ้นมาเห็นชัดชัดเข้าชัดเข้าชัดเข้าบางทีไม่ต้องน้บริดเพราะมันอิ่มมันพอแล้วไม่ต้องน้บริดมันก็อยู่นิ่งๆอยู่เลยไม่ต้องน้บริดเป็นความสงบของจิต อาศัยต้องอาศัยการฝึกต้องอาศัยการกำหนดพิจารณานานๆนั่งภาวนานานๆทำนานๆทำบ่อยครั้งทำนานๆทำด้วยความอดทำด้วยความอดทนก็กดต้องทนต้องใช้ความภากความเพียรใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องนี่คือการทำงานเอาใจทำเอาใจทำ ทำงานที่ใจเอาใจทําอันนี้เป็นภาคสมถะแต่ถ้ า, ามันจะแปลงไปเป็นมีปัสนาเป็นสติปัฏฐานเป็นสติปัฏฐานเราก็ดูไปที่เวทนาที่เจ็บคือปวดนั่นแหละสุขเวทนาเราก็ดูให้เห็นหัดดูสุขเวทนาทุกเวทนาที่กายหัดดูให้เห็น ทุกขเวทนาที่กายมันหนักมันรุนแรงะเราไม่ต้องหัดดูแหละจิตมันไม่ไปไหนเพราะมันปวดมากมันไม่ไปแต่สุ ข, ขเวทนาเนี่ยเราต้องพยายามหัดดูถ้าเราไม่หัดดูมันเพลินไปกับความนั่ง ส, สบายไม่เจ็บไม่ปวดไอตอนที่ยังมั น, มนยังไม่ไมเจ็บไม่ปวดถ้าสติเราหย่อนเดี๋ยวมัน ก, ก็ไปเพลอไปอย่างนีงง้ถ้าสติเราหย่อนเลี้ยวเพลือไปอย่างน่ง้ เพราะอารมณ์ขั้นนี้เป็นอารมณ์ที่ยังไม่รุนแรงไม่เหมือนอารมณ์ของปีติที่เกิดขึ้นซาบซ่านซาบซ่านถึงกับน้ำบูน้ำตาถึงกับโยกถึงกับคลอนร่างกายขณะถึงปีติอย่างรุนแรงแต่เพียงแตเรามีความสุขเพื้นธรรมดาสงบสุขเพื้นธรรมดาทําไมเราบังยอิญชวนให้หลับ มันสบายใจมันสบายมันชวนให้หลับพอกิเลสมันไม่มายุ่ยแย่ก็ควรซะหน่อยมันชวนเพลินอยากหลับสบายเผลอก็หลับเผลอก็หลับอยากเผลอเผลอไม่ได้หลับทําอยู่อย่างนี้แหละทําต่อไปให้จิสงบจากนั้นเราก็พิจารณาดูกายของตัวเองเพราะเราหลงกายพิจารณาดูเวทนาของตัวเองพิจารณากายของตัวเองพิจารณาเวทนาของตัวเอง เอากายเอาจิตไปอยู่กับกายเอาจิตไปอยู่กับเวทนาเป็นอันเดียวกันแนบแน่แนปันเนื้ อ, อเดียวกันอยู่กับจิตนะอยู่กับจิตก็อคืออยู่กับผู้รู้ลองเวลาทำไปแล้วเวลามันอยู่เวลามันอยู่มันยังไงมันก็บอกไม่ถูกนะมันก็บอกยากเวลาเวลามันอยู่ <laughs> ไม่รู้จะไปแยก ย, ยังไงล่ะก็ปล่อยมันอยู่เลยแหละ ไม่รู้จะไปใหญ่ยังไงมันโยมันตื่นช่างมันแล้วพอขยับทวงมากำํำหนดจดจอ่อต่อไปที่สำคัญคือก็คือพยายามย้อนดูมาที่จิตนั่นแหละเพราะปัญหามันจะมาแทรกอันนี้เราทำเป็นทำเป็นทเป็นแบบฝึกหัดทำเป็นแบบฝึกหัด ทำเป็นแบบประหาจนชำนิชานาญทําจนชํานาญเสร็จแล้วกปอยลืมย้อนมาดูจิตเพราะตัณหามันจะโผล่เข้ามามันจะมาปรากฏที่จิตตัณหาเท่านี้มันจะมาปรากฏที่จิตเราเอาคอยผลเอาคอยผลที่หนักแน่นที่สืกเนื่องที่ได้ความอาศจรร์จากสังเกตสังการแล้วก็เห็นตัณหามันมาโผล่ที่จิต ความอยากทันหาคือความอยากความอยากของจิตมันจะหลงเพลินเพลอยับเข้ามาแหละแน่เพลยับเข้ามาแล้วเราก็พยายามดูให้เห็นลองพยายามดูให้เห็นตัวนี้แหละคือตัวสมุทัยที่แท้จริงที่จะโผล่มาโผล่มาให้เราเห็นอย่างสดๆ ด, ดร้อนๆเลยแหละถ้าเรากําหนดจดจ่ออยู่ตรงนี้เพราะมันเป็นทางของมันตรงนี้ช่องที่มันจะเล็ดลอดออกมาตรงนี้ตรงไหนตรง มโนทวานนี่แหละต้งมโนมโนทวานนี่แหละตรงมาที่จิตนี่แหละที่จิตที่ใจในี่แหละเพราะฉะนั้ น, ในท่า น, นจันทร์จึงให้กำหนดกำหนดดูพิจารณาดูแยกแยะดูไม่ให้เกิดความยินดีไม่ให้ควา ม, เ ก, วามเกิดความยินดีสังเกตดูความยินดีสังเกต ด, ดูความยินร้ายที่มันจะคอยโผล่มาที่จิต ในขณะเดียวกันก็ดูเวทนาแล้วก็ดูจิตดูจิตแล้วก็ดูเวทนาดูเวทนาแล้วก็ดูจิตดูจิตแล้วก็ดูเวทนาย้อนกลับไปกลับมาดูระหว่างที่มันแตกต่างกันระหว่างที่มันสับไปสับมาเราดูระหว่างนี้มันก็เป็นเครื่องดูได้เป็นอย่างดีอันนี้เป็นเจตจำนงเป็นเจตนาที่เราชั้นจิตกำหนดที่จิตกำหนดดูที่จิตคือผู้รู้ผู้รู้ดูผู้รู้ะ ผู้รู้ดูผู้รู้ผู้รู้อยู่กับผู้รู้มันพูดยาแล้วก็ดูมาที่เวทนาดูมาที่เวทนาให้ความยินดีเกิดขึ้นให้ความยินร้ายเกิดขึ้นเวลามัามนมชักจะโผล่โลขึ้นมาเวลาหมาชักจะโผล่โผขึ้นมาเนี่ยความความยินดีหมาชักจะโผล่ขึ้นมาพราะาหลงรู้พัก มันเป็นมันเป็นคนละอันไปเลยไอ้ตัวความยินดีตัวนั้นกับตัวจิตคือผู้รู้เนี่มันเป็นคนละอันไปเลยมันขาดกันเลยมันแย่กันเลยมันจะขาดไปเลยมันขาดความรู้สึกภายในใจจะจะพูดยากความเย็นดีละเอียเพราะเราทันมันนเพราะเราทันมันมันเหมือนกับมันขาดไปเลย ความยินดีเป็นไงความยินดีก็คือความพอใจความพอใจกับที่มันมันเจ็บเบามันเจ็บเบาลงหรือความยินร้ายความขัดใจที่มันเจ็บปวดมากขึ้นไอ้ตัวตัณหาความอยากมันโผล่มาในแง่ของความยินดีโผล่มาในแง่ของความยินร้ายยินดีขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็ยึด ยินร้ายขึ้นมาเมื่อไร่มันก็ยึดแสดงว่าตอนนั้นปวดรุนแรงมากมันยินร้ายมันยินร้ายมันไม่พอใจแสดงความไม่พอใจสมาสแสดงความขัดใจแสดงความอยากขึ้นมาอยากไม่เก็บอืพอรู้สึกว่าพอรู้สึกว่าความปวดรุนแรงตอนนั้นมันยุบไปมันเบาไปมันยุบไปมันเบาไป ก็แล้วรู้สึกเออค่อยยังชั่วรู้สึกยินดีโผล่ทำไมถ้าเราปล่อยให้ให้มีทั้งยินดีให้มีทั้งยินร้ายมันก็ตัวตัณหาเดียวกันนั่นแหละมันมาในแง่ของยินดีมันมาในแง่ของยินร้ายถ้าเราปล่อยให้มันแสดงต่อเนื่องไปแล้วมันจะเสริมความเจ็บความปวดเสริมความลุ่มหลงเสริมความเพลินไปกับความไม่เจ็บไม่ปวดอย่างรุนแรง ทำให้เราตามมันไม่ทั น, นเอาให้ตามความอยากทันก็แล้วกันมีความอยากมันขาดกระเด็นออกให้ดูความอยากตัวนี้เนี่ยเมื่อความอยากเมื่อความอยากมันขาดสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าเราก็คือสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงมันเกิดขึ้นตามปรากฏการณ์ของมันความเจ็บความปวดก็ตามปรากฏการณ์ของมันเราไม่อยากให้เจ็บเราไม่อยากให้ปวด เราไม่อยากให้หายเพียงดูรู้พิจารณานี่เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึง่งเป็นสัจธรรมอย่างหนึง่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าเราการพิจารณาลักษณะนี้ก็เป็นการพิจารณาลักษณะของมหาสติหรือเราจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือพิจารณาลักษณะของวิปัสสนานี่ยแหละเราดูความเปลี่ยนแปลงของมันแต่และอย่างแต่และอย่างมันจะไม่คงที่มันจะเปลี่ยนแปลง มันจะเปลี่ยนแปลงไปเลยเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจลักษณะของมันดูให้เห็นให้ชัดๆดูให้เห็นให้ชัดๆแล้วมันจะสร้างความปัจจัยแปลกปัจจัยภาในใจของเราเราต้องใจภาวนากำหนดจดจ่อถ้าเรามาอยู่ในวงนี้มันอยู่ในอยู่ในสนามงานอยู่ในสมรภูมิอยู่ในสนามงาน เดี๋ยวเดี๋ยวได้งานเดี๋ยวได้งานสามารถนั่งอยู่อย่างนี้ดูให้เห็นความจริงอยู่อย่างนี้นั่งต่อสู้ยาวนานไปเท่าไหร่ก็ได้อาศัยความอดความทนต่ออีกสักหน่อยต่ออีกสักหน่อยต่ออีกสักหน่อยไม่พลิกไม่เปลี่ยนคิดเกงกาดูไปการตั้งใจขัดเกลากิเลสที่มีอยู่ภายในใจของเราให้เบาๆลงไป ใช้อุบายนี้ต้องใช้วิธีอย่างนี้อุบายวิธีอย่างหนึ่งก็คือให้มันสงบไม้เทเลมันแทรกเข้ามามันแทรกเข้ามาคือเอาจิตของเราไปนึกไปคิดน่ะคิดเรื่องราคะคิดเรื่องคิดเรื่องความยินดีในในราคะในความในพอใจในราคะเนี่ยพอใจในกามกามฉันทะคําว่ากามฉันทะเนี่ยมันพอใจทั้งรูป ภายนอกต้องรูปภายในทั้งตัวของเราทั้งของใช้ของสอยที่อยู่นอกตัวเราจะเรียกว่ายินดีพอใจพอใจกามฉันทะกามฉันทะวัตถุที่เป็นเป็นเหตุให้เกิดความใคร่วัตถุกามวัตถุกามกามแปลว่าความใคร่เป็นเหตุให้เกิดความใคร่แต่ความใคร่ไม่เกิดที่ที่วัตถุนะวความใคร่เกิดที่จิตะ ความใครเกิดที่จิตทั้นเรียกว่ากามกิเลสกามกิเลสกามกิเลสคือเป็นเหตุให้เศร้าหมองทางเป็นเหตุกิเลสเป็นเหตุให้เศร้าหมองวัตถุทั้งหลายเป็นเหตุให้เศร้าหมองไม่ใช่วัตถุเศร้าหมองจิตเศร้าหมองจิตเศร้าหมองเพราะมันเป็นเหตุให้รักเป็นเหตุให้ชอบเป็นเหตุให้ไม่ชอบเป็นเหตุดึงเข้ามาเป็นเหตุให้ผลักออกไป เป็นเหตุให้ยินดีเป็นหให้พอใจแล้วก็หรือหวงแล้วก็แสวงหาการแสวงหานี่ทุกอย่างนำบากเสแล้วเวลาประสบความยินดีประสบความพอใจก็พยายามอยากจะดึงอารมณ์เหล่านี้ให้อยู่อย่างนั้นแหละไม่ให้จากไปเพราะมันน่าดูดดืมผิดใจแล้วเกิดดูดูดมันชัดเจนพิจารณาทุกเนี่ยทุกมุมพิจารณายัางไงที่จะทําให้เกิดความฉลาดให้กับตัวเอง จะทำให้เกิดความแปลกปรลาดให้กับตัวเองตั้งใจตั้งใจทาตั้งใจพิจรารณาผู้ที่มีจิตไวต่อราคะนี่ยานให้เจริญอสุภะอสุภะความเป็นอยู่ประจําวิริยบทเราจะกําหนดสงบก็ตามเราจะกําหนดพิจารณาก็ตาม ผู้ที่ไห ว, วต่อราคะมีความกำหนัดยินดีกับสิ่งกับของกับรูปหญิงกับรูปชายท่านให้เจออสุภะอสุภะสัญญาอสุภะสัญญาสำคั์หมายว่าไม่งามคือมันยังไม่เห็นว่าเป็นความไม่งามแต่ท่านให้หมายให้หมายซะก่อนให้กำหนดหมายว่าไม่งาม แต่ว่าความมองเห็นว่างามนั่นแหละมันเป็นเรื่องของตัญหามันแสดงออกมาให้ปรากฏเราไม่ได้ไปเสียแง้งแกล้งมองให้มันสวยให้มันงามแต่มันหากมีอยู่สิ่งเหล่านี้มีอยู่เป็นอยู่ประจําใจของคนของสัตว์ความเห็นว่างามเมื่องามแล้วก็ชอบเมื่อชอบแล้วก็แสวงหาดึงเข้ามาได้มาแล้วก็หึงก็ห่วงทะนุถนอมหึงห่วง แสิ่งเหล่านั้นมันก็เปลี่ยนไปตามภาวะของมัน น, น, นี่คือโทษของมันราคะมีความกวาหนัดยินดีเป็นเราเห็นว่าเป็นงามเป็นสวยเป็นงามเป็นสุภาแะแปลว่าสวยงามท่านจึงให้เจริญอสุภาษสุภะดูอะไรก็เห็นเป็นอสุภะดูรูปหญิงดูรูปชายกใ็ให้เห็นว่าเป็นอสุภะ ดูให้เห็นเป็นอสุภะเพื่อที่เราจะพิจารณาให้จิตเข้าไปถึงความจริงนั้นๆเราดูธรรมดาเฉยๆถ้าเราไม่หมายว่าเป็นอสุภะนี่มันดูไม่ได้พอดูขึ้นมาแล้วก็มีความกำนัดทันทีพอดูขึ้นมาก็มีความกำนัดทันทีถ้าเราไม่ไปตั้งความไม่งามเอาไว้ตั้งความปฏิกูลตั้งความโสโครก ต, ตั้งความเปื่อยเน่าตั้งความนอนจาะ ลัวเยะกรุงกระริ่งถูกนอนเจาะถูกหมาถูกแรงกัดมันเปื่อยมันเน่ามันอะไรนะนี่คือหมายว่าไม่งามไม่งามหมายว่าไม่งามเปรียบเสมือนเปรียบเสมือนโลดโลดบางาบางสัญญาที่เป็นสุภาษสัญญาเนี่ยมันหมายว่าเป็นของงาม สัญญาฝ่ายกิเลสมันหมายว่าเป็นของงามแต่เราก็ตั้งอสุภสัญญามันยังไม่เห็นว่าไม่งามแท้ที่จริงมันไม่งามแต่เรายังไม่เห็นท่านจึงให้ตั้งเป็นอสุภสัญญาคือความไม่งามเหมือนควาตัวนี้มาเป็นโลกบังเอาไว้อ่าเป็นโลกบังไว้ดูให้เห็นความไม่ความไม่งามดูให้เห็นความเปลี่ยนแปลงดูให้เห็นความปฏิกูลดูเห็นความโสโครก ท่านให้ใช้สัญญาเนี่ยแหละดูไปดูไปดูไปที่แท้จริงมันไม่งามแต่ใ น, นเมื่อเราเอาอสุภะมาเป็นคู่ต่อสู้อสุภะต่างๆเหล่านั้ น, นก็ชักจะค่อยๆเลื่อนไปค่อยๆจางไปค่อยๆจางไปอสุภะอสุภะที่เป็นสัญญามันก็มาปรากฏแทนที่จิตของเราเป็นคนคาดเป็นคนหมายนั่นแหละแต่จิตมันก็ยอมรับนะมันก็ยอมรับเหมือนกิเลสที่มันเกิดภายในจิตนั่นแหละทั้งๆที่รูป เรารูกท่านไม่งามแต่มันเสกสรรให้เป็นของงามของสวยของงามเมื่อมันเสกเขึ้นมาเราก็ติดเราก็ติดใจมันก็หลงใจมันก็เพลินใจมันเองมันเสกขึ้นมาเองมันก็พาหลงเองเสกขึ้นมาเองก็พาหลงเองอันนี้มันเกิดขึ้นโดยกิเลสพาพาพานึกพาคิดที่เรากำหนดให้เห็นเป็นว่าไม่งามน่าเกลียดโถโครกเราก็กำหนดเห็นว่า เปื่อยนอนเจาะยุ้ยเยียยุกยั บ, ยบเต็มไปหมดน้ําเหลืองน้ําเขียวไหลเยอะออกมานี่ให้เห็นว่าเป็นของไม่งามเมื่อใจมันหมายยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นมันหมายว่าไม่งามมันก็มีภาพผิดตาว่าไม่งามน่าเกลียดตระกูลโสโครกมันหลงมันหลงมันหลงในความคาดว่าไม่งามอันนี้ไปก่อนจนกว่าจิตของเราจะยังเข้าไปถึงหลักความเป็นจริง แค่ที่จริงมันยังไม่สุดมันต้องไปให้เลยนี้ไปอีกถึงจะสุดนะต้องดูให้เลยนี้เข้าไปอีกแต่แต่ระยะนี้เป็นระยะเหมือนกับว่าเป็นโลม่มาบทมาบังกิเลตไหมมันแทรกเข้ามาได้แต่เราต้องพยายามดูไปตามหลักความเป็นจริงเข้ามาอีกที่หนึ่งเช่นอย่างกลิ่นก็กลิน่นสมมติผเหม็นครุ่งไปหมดะกลิ่นก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง เป็นสัจจ ะ, ะอย่างหนึ่งเป็นความจริงอย่างหนึ่งเอาจิตรู้เท่าทันกลิ่นนั้นนอนเจาะอยู่เย็นนอนก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งน้ำเหลือน้ำเขียวก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมันมันมีเอาใจนึบเข้าไปอยู่กับจริงต่างๆเหล่านั้นนี้เรียก่จะเรียกว่าเข้าไปถึงหลักความจริงของมันเข้าถึงหลักความจริงของมันก็มันเลยเลยปฏิกูลเลยโสโครกเข้าไปอีกเลยปฏิกูลเลยโสโครกเข้าไปอีก พอเลยนั่นไปแล้วพอเลยนั้นไปแล้วสุภะก็ไม่มีอสุภะก็ไม่มีพอเลยนั้นเข้าไปแล้วสุภะก็ไม่มีอสุภะก็ไม่มีเลยเข้าไปถึงหลักความเป็นจริงคือหลักธรรมชาติที่กิเลสมันหมายมันความหมายว่างามแต่เราเอาสัญญาหมายว่าไม่งามนี่เป็นการเบรกเป็นการห้ามลอ้อเป็นการชะลอกําลังของกิเลส ก็พิจารณาไปพิจารณาไปคิดเกี่ยงมาไ ป, จ, าไปจนจิตเข้าไปยอมรับสิ่งต่างๆเหล่านั้นว่าเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่และอย่างแต่และอย่างแต่และอย่างทั้งรูปทั้งสีทั้งสันญานทั้งกลิ่นทั้งอะไรต่ออะไรที่เรากำหนดพิจารณาอยู่เฉพาะหน้าจิตมันก็ยอมรับจิตเข้าถึงหลักความเป็นจริงของอนั้นจิตจะไม่ยินดีจิตจะไม่เรียนร้ายจิตจะไม่รังเกียจ คำว่ า, ารังเกียจก็คือยินร้ายเช่นอย่างเรากำหนดให้เห็นเป็นอสุภะก็คือทำให้จิตรังเกียจวัตถุนั้นซะก่อนอพอรังเกียจรังเกียจนี้ยังไม่ใช่ความจริงยังไม่ใช่ความจริงเพียงแต่เอาอสุภะมาหลอกเอามาหลอกจิตตัวนั้นจิตจิตตัวที่มันติดนั้นลหลอกออกมันซะก่อนหลอกเพื่อไม่ให้ฝักฝ่ายของกิเลสมันมีกาลัง นั่นม่อมันมีนกําลังไม่ได้เราก็พยายามดูอย่างเข้าถึงหลักความจริงยังเข้าถึงหลักความเป็นจริงจนเลยแล้วก็ไปเป็นสีเป็นสัญทานเป็นนอนเป็นกลิ่นเป็น อ, อะไรก็แล้วแต่เป็นธรรมชาติแต่ละอยา่างแต่ละอย่างคําว่าธรรมชาติอย่างคําว่าคำว่ า, วาธรรมชาติหมายความว่าคือความมีความเป็นของมันที่มันมีมันเป็นตามภาวะของมันต า, ามเรื่องของมันแต่ละอย่างแต่ละอย่าง มันส่งไ้ตามเรื่องของมันแต่ละอย่างแต่ละอย่างธรรมะคือความส่งไวส้ว i mean ส, ว ส, 慢慢สภาวะธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างคือความท่งไว้ของมันมันมีอยู่อย่างนั <ương> ้นเป็นอยู่อย่างนั้นของมันมีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นของมันแต่หากเราไปหมายว่างามหากเราหมายว่าไม่งามหมายว่างามมันก็หลงเพลินไปถ้าเป็นเรื่องของกิเลสหมายว่าไม่งาม มันก็เป็นการปิดกั้นกระแสของกิเลสได้มันสามารถจะเอาจิตของเรานไปพิจารณาได้ไม่งั้นเราทนพิจารณาไม่ได้อเดี๋ยวความกำหนัดความยินดีเกิดขึ้นเตะเลิดเปิดเปิงไปละเราต้องเอาตัวนี้ไปไปไ ป, ปิดไปกั้นเอาไว้นี่เรากําหนดพิจารณามาตรงนี้ผู้ที่ไวต่อการมราคะต้องเอาตัวนี้เป็นเครื่องเล่นถ้าให้เราได้ปัญญาจากการ ที่เราพิจารณายิ่งเราดูให้เลยสุภาษเลยอสุภาษไปแล้วจิตไปอยู่กับหลักธรรมาชาติที่แท้ความเป็นจริงอันนั้นแหละเราเย็นความบาสจันของจิตของเรามันเลยมันเลยมันเลยอะไรไปมันเลยพื้นๆที่เราคิดการกะกันถ้าเป็นเรื่องของสัญญามันก็เป็นเรื่องของสมมุติทั้งหลายทั้งปวงถ้ามันเลยนั้นไปแล้วมันก็เป็นหลักธรรมาชาติทั่วๆไปที่ทตังเงียกว่า ไม่ใช่สมมุติมันเลยสมมุติไปเช่นอย่างเราดูคนเนี่ยเราก็ดูไม่ให้เห็นว่าเป็นคนดูให้เห็นว่าไม่ไม่เป็นผู้หญิงไม่เป็นผู้ชายดูให้เห็นว่าเป็นไม่ไม่เห็นเป็นคนเห็นเป็นอะไรก็ไม่รู้ดูไปเห็นผมเห็นขนโอ้ธรรมชาติธรรมชาติผมธรรมชาติขนดูจิต ให้นลึกเข้าไปให้มันยอมรับโอ้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นธรรมชาติเป็นหลักธรรมชาติของมันเป็นหนังกําหนดลงไปข้างในเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นอะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างคือภาวะของธรรมชาติแต่ละอย่างพยายามเอาจิตดอูอันนี้หมายถึงตัวของคนเรารอบข้างตัวเราสิ่งของของใช้ของสอยของอะไรทั้งหมดเราพยายามกําหนดพิจารณาขับจิตของเราไปสอดไปแทรกได้ ทำใจให้รู้ทำใจให้เข้าใจทำใจให้เท่าทันภาวะที่อยู่รอบข้าวตัวเราอันนี้เป็นการเป็นการใช้จิตเป็นการใช้ใช้ความรู้เป็นการใช้ความรู้โดยที่เป็นเองถ้าหากโดยเป็นเองมันก็เป็นญาณที่ท่เรียกว่าญาณทัศน์ญาณทัศน์มันเกิดขึ้นเองมีขึ้นเองเป็นขึ้นเอง แต่ถ้ามันเป็นโดยที่เราตั้งใจคาดตั้งใจหมายแล้วก็พยายามตั้งใจคาดตั้งใจหมายจนมันได้ที่แล้วมันก็จะเป็นเองเกิด ค, ความผู้เองเกิด ค, ความตั้งใจเองอยังกำหนดไปในในอะไรนี่มันซื่อไปเลยคือผู้รู้กับวัตถุนั้นๆน่ะมันเป็นอันเดียวกันไปเลยกาหนด ใส่อะไรใส่ดินใส่หินใส่เสาใส่ต้นไม้ใส่อะไรเัวอะไรก็เป็นอันนั้นไปเลยธรรมชาติของจิตมันเข้ากับธรรมชาติทั่วๆไปที่อยู่รอบข้างตัวเราอมันเข้ากันไปเลยมันฟังยากนะมันฟังยากอยู่มันอุบายวิธีที่จะทำให้เราพริจารณามันแตกแขนงแยกแยกแตกแขนงไปมากมายบางทีจิตโกรธเนี้ยจิตบางคนมีโทษะสจจริต โทษใจจริตก็พิจารณาความโกรธน่ะเวลาความไม่พอใจมันขัดใจขึ้นมาคือความโกรธมันเกิดขึ้นที่จิตมันเกิดขึ้นที่จิตความโกรธก็ย้อนไปอ๋อในการที่เราโกรธเนี่ยเพราะมันขัดใจเราทําไมถึงขัดใจเราเพราะมันไม่ได้อย่างใจเราทําไมจึงไม่ได้อย่างใจเราก็เพราะใจของเรานี่จะไปบังคับสิ่งนั้นให้เป็นไปตามใจของมัน จะไปบงังค e. ับสิ <im> ่งนี้ให้เป็นไปตามใจของมันเมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามใจก็ไม่พอใจที่ตันเรียกว่าขัดใจความขัดใจนี้เป็นทุกข์นะเป็นกองทุกข์นะเพราะฉะนั้นเหตุด้วยด้วยดยเหตุที่เราเข้าไม่เข้าไปรู้เหตุไม่ไม่เข้าไปถึงเหตุว่าเหตุนี้คือเหตุนี้คือเหตุแห่งกองทุกข์คือความโกรธเมื่อเราเข้ามาถึงเราก็ใช้ กิริยาของตัวเองอย่างนี้จนเป็นประจําจนชินจนชินเกิดความโกรธแหละพอขัดใจขึ้นมาโกรธล้ ะ, ะขัดใจขึ้นมาก็โกรธละคือมันไม่ถูกใจมันไม่ได้อย่างใจใจเนี่ย ม, มันมักจะไปกะไปเกณฑ์สิ่งรอบข้างตัวมันเนี่ยให้เป็นไปตามใจหวังทั้งหมดกะเกณฑ์สิ่งนี้ให้ได้ตามชอบใจกะเกณฑ์ให้ได้ตามใจหวังกะเกณฑ์ให้ได้มา กักเกณฑ์แค่ว่าบังคับเอาใจไปบังคับบังคับให้เป็นไปนตามที่มันต้องการสิ่งที่พาต้องการก็คือกิเลสเรื่องของกิเลสมันเอาตามใจมันชอบทั้งหมดมันไม่เคยสนใจเรื่องเหตุเรื่องผลแต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมและเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุกับผลอ๋ อ, อ, อความโกรธมเกิดขึ้นเวลามันเกิดเกิดขึ้นแล้วมันหัวใจมันดิ่น เดือดมาจนถึงกายกายพากายดิ้นคือความขัดใจตัวใจก็คือตัวนามธรรมาผู้รู้ละเอียดอยู่ข้างในเราดูไม่เห็นเราดูไม่ออกมันเป็นพลังงานของนามธรรมา ท, ที่ละเอียดลึกเข้าไปภายในจิตของเราคือกิริยาของผู้กิริยาของนามคือกิริยาของผู้รู้ ทำใหจิตขัดใจขัดจิตนะขัดใจมากๆโกรธมากๆเดือดดานมาถึงกายทําให้ตาดำตาแดงทําให้ปากสัน่นมือสัน่นถ้าพูดออกมากับเสียงสัน่นนะัเห็นไหมคือความขัดใจนะไอ้ตัวที่มันไม่มีตัวไม่มีตนนั่นมันแต่มันมีกําลังมันมีพลังพลังของมันพลังของกิเลสกิเลสก็มีพลัง แต่ถ้าเราพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมธรรมะก็มีพลังที่แท้พลังของธรรมจะชนะพลังของกิเลสแต่ไหนแต่ไรมากิเลสนี <laughs> ่แพ so ้ธรรมกิเลสนี่แพ้ธรรมท่านจึงให้กำหนดพิจารณาเหตุผลอ้อันนั้นเกิดจากเหตุอันนั้นอันนั้นเกิดจากเหตุอันนั้นมันมีเหตุทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยของมันมันไม่ใช่เหตุปัจจัยเกิดจากจิตของเรามันไม่ใช่เพราะฉะนั้นการที่เราเอาจิตของเราไปบังคับสิ่งนู้นไปบังคับสิ่งนี้ มันเป็นการไปบังคับตามความอยากตามความชอบใจตามความพอใจของตัวเองในเมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่ใจหวังใจชอบก็เคียดก็ขัดที่เรียกว่าปฏิฆะปฏิฆะขัดใจลุนเคืองขึ้นมาทนีเราพิจารณาแผ่เมตตาบางทีมันแผ่ไม่อยู่คนที่มีอารมณ์โกรธท่านา้แผ่เมตตา การแผ่เมตตาทําให้ใจเราเยือกเย็นทําให้ใจเราอ่อนนุ่มได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าเวลามันขึ้นจริงๆมันเอาไม่อยู่มันเอาไม่ทันอันนี้เราพูดในแง่ที่ว่าความกโกรธมันเกิดขึ้นสดสดร้อนๆอนให้ย้อนไปพิจารณาดูโอ้ทุกอย่างเกิดจากเหตุไม่ใช่เอาใจเราเป็นเหตุแล้วไปบังคับสิ่งนั้นไปบังคับสิ่งนี้นีคนน่คือใจใจใจเกณฑ์ให้ถูกใจตัวเองมันบ้าให้ถูกตัวให้ถูกใจตัวมันเอง ต่างๆที่สิ่งที่เขาไปเกี่ยวข้องที่จิตไปเกี่ยวข้องสิ่งเหล่านั้นเขามีเหตุมีปัจจัยของเขาเราก็ต้องพิจารณาเห็นตามเหตุตามปัจจัยอ๋อสิ่งนี้มันจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เห็นอย่างฝนจะตกเนี่ยฝนตกเนี่ยทำน้นยากทํานี่ยากทำท่านลําบากนะเครียดให้ฝนนี่คือคนไม่มีเหตุไม่มีผลแดดร้อนโอ้อบอ้าวไม่น่าอยู่เหงื่อแตก ร้อนมากเกินไม่น่าอยู่เครียดให้ให้ร้อนเครียดให้ฝนเครียดให้ร้อนเครียดให้หนาวนี่คือคนไม่มีเหตุไม่มีผลการพิจารณาเห็นเหตุเห็นปัจจัยพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลนั่นแหละเป็นการเป็นการเข้าไประงับสาเหตุต้นตอที่แท้จริงนี่คนที่ใช้อารมณ์เป็นคนที่ไม่มีเหตุผลในตัว ที่เรียกว่าคนไม่มีเหตุผลไม่มีผลแท้จริงเราใช้คำว่าไม่มีเหตุผลไม่ถูกคนที่ใช้อารมณ์คือคนที่ไม่รู้เหตุผลดังหาเนื่องจากว่าไม่เคยย้อนไปดูเหตุผลของมันเราจะพูดได้ว่าคนใช้แต่อารมณ์คือคนไม่รู้เหตุผลไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลเป็นคนไม่รู้เหตุผลไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุของอะอะไรเป็นเหตุของอะไร เอาใจของตัวเองไปบงังคับไปสิ่งนู้นสิ่งนี้เป็นกดเป็นเกณฑ์ไปหมดนจะเรียกว่าจะเรียกว่าเอาตามความพอใจของตัวเองไม่ถูกใจขัดใจขึ้นมาขึ้นเตี้วขึ้นมาไม่รู้เหตุผลไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลนะคือทุกอย่างในโลกจะไม่มีเหตุผลอีกเป็นไปไม่ได้ต้องมีเหตุมีผลในตัวของมัน ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแม้แต่เข็มเล่มเดียวก็มีเหตุมีผลในตัวของมันอ้าวเหตุผลของมันก็มาจากอะไรก็มาจากเหล็กเหล็กคือแร่ธาตุแข็งๆมาทําให้แหลมๆทาให้เป็นเข็มขึ้นมาเนี่นี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันเราก็ย้อนดูไปอะไรทุกอย่างมีเหตุมีผลลมนี่มีเหตุมีปัจจัยของมันแสงสว่างมีเหตุมีปัจจัยของมันเราดูไฟของเราเนี่ มีเหตุมีปัจจ um. ัยของมันเท่านั้นเราดูเทียนเนี่ยเออดูเทียนเนี่ยดูง่ายดูเทียนแล้วดูเหตุปัจจัยของเทียนเหตุปัจจัยของเทียนเทียนมันก็เป็นขี้พึ่งเราจุดไฟชักอ่คไม่ขีดไม่ขีดมันก็มีเหตุมีปัจจัยของมันนะเอาไม่ขีดขีดมันไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วมันจะติดที่ไหนได้แม้แต่ไฟเชักกันเราต้องมุนชัก มันทังจะติดขึ้นมานี่แต่และอย่างมีเหตุมีปัจจัยเข้ามาเท่านั้นอปัจจัยเข้ามัาคือหินทานหินทานหินกับเหล็กเนะี่ยมันทําให้เกิดสัมผัสสัมพันธ์กันเราก็กดให้หมุนเช็คเดียวมาสัมผัสกันเกิดประกายไฟขึ้นมานี่เป็นธรรมชาติของมัน่ะประกายไฟมันก็เป็นธรรมชาติของมันสมมติอย่างเป็นไฟแช็กเนี่ยพอเราขีดแช็กเข้าไปแล้ ว, ลวเรามือหนึ่งเราก็กดไว้แก๊สมันออกมา แก๊สมันก็เป็นวัตถุธรรมชาติอย่างหนึ่งของมันพอมันออกมาแล้วแก๊สกับไฟมันก็กินกันชึ๊บมันก็ติดนะติดไฟแล้วเป็นเปลวลองเราปล่อยมือแล้วปล่อยมือแก๊สไม่ออกพอแก๊สไม่ออกมันก็ดับนะเหตุปัจจัยของมันเป็นธรรมชาติไปหมดเสร็จแล้วเราไปจุดเทียนไปจุดเทียนแล้วมันไปติดเทียนนะพอเราช็คขึ้นมาแล้วมันเป็นไฟเราไปจุดเทียนก็ติดเทียน ในเทียนนั้นนะ่ะมีไฟพอไฟไปติดเทียนปับ๊บไฟมันก็กินเทียนความร้อนมันกินเทียนในความร้อนนั้นมีความสว่างมีควันมีความสว่างมีความร้อนในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ทําปฏิกิริยาเข้ามันปฏิกิริยาเข้ามัหนะคือเหตุคือปัจจัยก็คืออะไรความร้อนมันไม่ไส้ไส้มันดูดน้ํามัน นะใส่บางส่วนมันก็ไหมเกรียมไปเรื่อเพราะมันร้อนมากนี่เหตุปัจจัยของมันในขณะที่เราจุดเทียนเราไปดูมันจะเดือดพ๊ดปั๊ดปดปดปั๊ดมันไม่ได้อยู่คงที่มันไม่ได้อยู่นิ่งนะไปดูมันจะดูดขึ้นเชืบเชืบเชเชเชเราติดเครื่องยนต์กลไกอะไรก็เหมือนกันม uh, ันกินน้ํามันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะไม่มีเหตุไม่มีปัจจั Power. ย อะไรนี้เดียวมีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้หัดพิจารณาให้รู้เหตุให้รู้ให้รู้ผลอ่าโอ้อันนี้เป็นผลจับผลสาวไปหาเหตุสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวเขาไปเจอเหตุแล้วก็ทราบโอ้นี่สิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้เราฉลาดรู้ทันปัจจัยภายนอกรู้ทันปัจจัยภายในรู้ทันกิเลสในภายในกิเลสในภายในที่มันชอบเอาใจใจ พิจราเหตุผลของให้ให้กับมันเดี๋ยวมันก็ชะลอเดี๋ยวมันก็อยู่คนที่ใจร้อนใจเร็วใช้อารมณ์ก็คือคนที่ไม่มีเหตุผลคาว่าไม่มีเหตุผลนี่ไม่ถูกคือคนไม่รู้เหตุผลต่างหาาคนไม่รู้เหตุผลไม่ฉลาดไม่รู้เท่าทันถ้าใช้กิริย า, ย า, ยายอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดไม่มีโอกาสที่จะรู้เหตุผลหรอกกลายเป็นคนอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นตลอดไป อะไรเกิดขึ้นถ้าหิย้อนไปพิจารณาอะไรเกิดขึ้นบางทีการที่เราย้อนไปเห็นเหตุเห็นปัจจัยทําให้เราอ๋อืมทําให้เราอ๋อืได้ยินอะไรก็แค่ก็แค่อยู่ข้างขวาหรือบางทีก็แก้มันไปคาบแมลงคาบอะไรมันก็ฟัดป๊กปอกปอกอกเอ๊ะใครมาเคาะน้าใครมาเคาะล่ะอืมใครมาเคาะ เอาไฟไปซองดูอะไรกันแน่โอ้กับแก่ข้ามาแรงไร่ฟ้าที่ฝาบ้านังปอกๆด้วยเหตุที่ไม่พิจาราเห็นเหตุเห็นปัจจัยเนี่ยไม่ทดสอบก็เห็นเหตุเห็นปัจจัยก็วาดโอ้ยผีเอ้ยนู้นเอ้ยนี้เอ้ยขึ้นมาแล้วกลัวไม่เป็นตะยูไม่เป็นตะหลับตอนอนเห็นไหมแทนที่จะเป็นผีข้างนอกอะไรกลายเป็นผีข้างใน เสริมก็ไปอีกเไอ้ตัวเจ้าผีที่เป็นกิเลสตัวน um ี้เสริมเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้ยอยู่ไม่ได้ละอยู่ไม่ได้ละเพราะงั้นทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นเราพยายามดูให้เห็นลมก็มีเหตุมีเหตุมีปัจจัยฝนก็มีเหตุมี็ปัจจัยน้ําก็มีเหตุมีปัจจัยเราไปดูดิเขาแยกแยกน้ําอ่ะมีเหตุมีปัจจัยไฟก็แยกไปดูดิเขาแยกแยะไฟดูมันมีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้น อย่างเทียนเนี่ยมันทํางานอ่ะเทียนติดสืบเนื่องกันตลอดเนี่ยแท้ที่จริงอันเก่ามก็หมดไปอันใหม่มันก็ต่อขึ้นมาอันเก่ามันก็หมดไปอันใหม่มันก็ต่อขึ้นมาทุกทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันทํางานสืบเนื่องกันอยู่อย่างนี้แหละอันนี้ที่เรียกว่าสังขารสังขารมันทำงานสืบเนื่องกันอยู่อย่างนี้เราพยายามพิจารณาให้เป็นผู้หนักแน่นในเหตุในปัจจัย การที่เราเข้าถึงธรรมการรู้ธรรมเข้าถึงธรรมก็คือการที่เราเข้ามารู้เห็นเหตุเห็นปัจจัยข้างในนี้แหละเหตุปัจจัยตัวที่ร้ายกาศที่พายเรารักเราชอบเราหลงเรากโกรธทุกระยะทุกเวลาก็คือตัวความอยากคือตัวตัณหาที่จะเรียกว่าสมุทยัยสมุทยัยเหตุให้เกิดความรักเหตุให้เกิดความชังเนี่ยมันมาจากความอยากมันอยาก อ, อยาก ที่จะเรีว่าตัณหาตัณหาความทเยอทะยานความอยากของจิตจิตมันอยากมันดิ้นรนไม่หยุดไม่หย่อนตัณหาทอนนี้มันดิ้นรนทเยอทะยานไม่หยุดไม่ย่นยินมาอย่างหนึ่งเป็นเหตุแล้ได้ผลมาซึ่งราคะดิ้นมาอย่างหนึ่งเป็นเหตุและได้มาถึงทศซึ่งโทศซึ่งโมหะโกรธเกลเียดเครียดอิจฉาริษยาพยาบาทบรรดาสารพัด ท, ที่เป็นกิริยา เขาจิตมันจะตามมาดูเราพิจารณาพิจนารณาดูอยู่อย่างนี้เราจะเป็นผู้มีธรรมที่ทำให้เราฉลาดในความเป็นอยู่ของเราอันนี้มันก็สืบต่อเกี่ยวเนื่องกับการภาวนาเหมือนกันนะเราภาวนาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเห็นอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งด้วยเหตุด้วยปัจจั ย, ยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันจะดูแล้วมันจะแต่แข น, นไปหมดละดูอะไรเห็นเป็นเหตุเหตุปัจจัยไปหมด ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมีเหตุทั้งนั้นมีปัจจัยทั้งนั้นบางอย่างเรารู้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราโง่เองอ่ะเราไม่รู้เห็นไม่ไม่รู้ไม่เห็นเหตุหปัจจัยของมันเราก็ไปตีบตันซะเองด้วยเหตุที่เราไม่ศึกษาให้ชัดเจนในเหตุนในปัจจัยเราก็เข้าใจเหตุเข้าใจปัจจัยผิดเดาเหตุเดาปัจจัยผิดสาคัญมั่นหมายปตามอัาราของกิเลส ที่นเรียกว่าสัญญาสัญญามันพาคาดพาเดาพาหมายไปผิดจนเปลี่ยนเป็นเหตุให้เราเกิดความโกรธเป็นเหตุเราเกิดความโกรธเพราะความลุ่มหลงลุ่มหลงก็คือไม่รู้เห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันเนี่ยคือความหลงคือตัวหลงคือตัวอวิชชาตัวผู้ไม่รู้ไม่รู้เห็นเหตุไม่รู้เห็นปัจจัยแล้วคาดเดาๆดายึดยึดยึดผิดถือผิดสาคัญผิดจับเอาไปพูดผิด สำคัญมั่นหมายในหัวใจผิดเอาไปก่อกรรมทําเวรผิดผิดไปจากหลักความเป็นจริงผิดไปจากหลักของธรรมเกิดเป็นเวรเปิดเป็นภัยเกิดเป็นกรรมขึ้นมาเช่นอย่างคนเข้าใจกันผิดแล้วก็เครียดกันถ้าไปสอบถามให้ดูจริงๆแล้วเป็นการเข้าใจผิดการเข้าใจผิดก็คืออะไรก็คือเรารู้ผิดนั่นแหละเราหมายผิดเราหมายหมายเหตุผิด เช่นอย่างคนคอมเมนกันเนี่ยทํางานอะไรที่ผิดหูผิดตากันซะหน่อยหนึ่งอีกฝ่านึงก็ว่าทําใส่ครูทําให้เราทํากระทบเราทํากระทบกระทบกระทั่งเราหมายผิดเข้าใจผิดสําคัญผิดไปหมดเหมือนอย่างพวกนักเลงเข้าหมายกันผิดนั่ น, นคนหนึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรโอ้มารุมกันละเพราะอะไรเพราะมันหมายผิดเข้าใจผิดสําคัญผิดนั่น สิ่งเหล่านี้แลหละคอยกอดทุกข์กอดโทษให้เราไปจำวันไปจำคืนชีวติตความเป็นมนุษย์เนี่ยหมายกันไปหมายกันมาอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ศึกษาให้เข้าใจเห็นเหตุเหตุปัจจัยที่แท้จริงเราจะได้สยบโ อ, อ้นนี้เป็นเหตุของอันนี้จริงๆอันนี้เป็นเหตุของอันนี้จริงๆเมื่อได้เกิดขึ้นจากการที่เราหมายเราพยายามจับผิดพยายามจับผิดในจิตของเราเราจะเราจะรู้เท่าทันมันไปเรื่อยๆ เราจะไม่ไมไวัดไม่ไว้วางใจจิตของเราปุ๊บปเชื่อใจตัวเองปุ๊บปั๊เชื่อใจตัวเองใจตัวเองมีกิเลสไปคาดผิดไปเดาผิดไปหมายผิดสำคัญผิดแล้วก็ทำผิดก่อกรรมทำเขียนผิดผิดขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันน่าเจ็บใจอ่ะมันน่าเจ็บแสบความโกรธความหลงความระความชังมันเกิดขึ้นมาจากสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละ ถ้าเรามาศึกษาให้รู้ให้เข้าใจสาเหตุต้นต่อของมันแล้วรู้ที่ไปที่มาของมันแล้วเราก็สยบสยบกับสัจจะคือความจริงอ๋อความจริงมันเป็นจากนี้ความจริงมันเป็นจากนี้ความจริงมันเป็นจากนี้อันนี้เราพูดโดยพื้ น, น, นความเป็นอยู่ทั่วไปแต่การที่เราจะพิจารณาเพื่อถอดถอนตันหาอนุสัยภายในจิตของเรามันจะละเอียดลึกเข้ า, ขาไปภายในจิตมากกว่านี้ เพราะฉะนั้นให้เราตั้งใจทําให้เกิดความสงบได้รับความสงบเพราะความสงบเป็ น, เ, นเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เราฉลาดทําให้เราเอาน้อมนํามาพิจารณาอะไรอะไรมันก็ชัดเจนแจ่มแจ้ ง, จงไม่ถูกสัญญาหลอกให้เราหลงพลอยหลงเชื่อไปตามมันสัอย่างเดียวมันพอที่จะย้อนไปเห็นความจริงของมันย้อนไปเห็นความจริงของมันเพราะฉะนั้นจิตของผู้ป ฏ, ฏิบัตินั้นจะทําให้ฉลาดได้จะต้องย้อนย้อนไป หาสิโน้นย้อนไปหาสินี้ย้อนไปเกี่ยวกับเรื่องนั้นย้อนไปเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็อยู่สบายคนเดียวใครทุกข์เดือดร้อนอะไรยังไงผู้นี้สบายอยู่คนเดียวเพราะเห็นเหตุเห็นปัจจัยยิ้มอยู่คนเดียวได้พวกเราพยายามทําเกิดความรอบรู้ตรงนี้จะเป็นผู้มีเหตุมีผละจะไม่เป็นผู้ไม่มีเหตุผลจะเป็นผู้รู้เหตุรู้ผล รู้เหตุรู้ผลก็คือรู้เหตุรู้ปัจจัยนะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความสุขอย่างแท้จริงอะไรเป็นเหตุ <c oughs> เป็นปัจจัยแห่งความทุกข์อย่างแท้จริงเราจะไม่ไปหมายสุ่มๆเดาๆเอาอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์แต่เราไปหลงหลุ่มหลงว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งความสุขอพอทำผิดไปแล้วโอ้เหตุปัจจัยแห่งความทุกข์มันก็ต้องให้ผลเป็นความทุกข์ รู้ชัดเจนอย่างเพียงว่าการที่เราทําอย่างนี้นี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งความสุขอย่างแท้จริงแล้วก็ตั้ง อ, อกตั้งใจทําไปเมื่อเราตั้ง อ, อกตั้งใจทําไปผลแห่งอันนั้นอันเกิดขึ้นอยากความฉลาดของตัวเองเราก็ได้ประสบความสุขอไม่ใช่สุขสุขสขดเดืเป็นความสุขที่รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักต้นต่อของมั น, นความเป็นอยู่ก็เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ คนเรามันเกี่ยวข้องกับจิตทุกระยะทุกเวลาทุกนาทีการตั้งใจปฏิบัติจำบูรธรรมะระวังมาที่จิตนะจึงเป็นเรื่องจึงเป็นเรื่องใหญ่จึงเป็นเรื่องสําคัญอย่ารามาระวังตรงนี้วันคืนร่วงไปอย่าให้มันรวงไปเ ป, ปล่าๆให้มันได้ไปให้มันได้ความฉลาดจากมันฉลาดโดยหลักธรรมชาตินี่แหละไม่ใช่ว่าฉลาดเพราะว่าไปค้นคนว้าหมดตำรากี่เล่มกี่ตู้มันไม่ใช่อันนั้นก็เป็นฉลาดข้างนอกแต่ยังไม่ย้อนมาข้างในเนี่ย ข้างในมันฉลาดแป๊บเดียวเนี่ยโอ้มันโรยหมด น, นะข้างในเนี่ยข้างนอกดูหนังสือหมดเป็นตู้ๆบางทียังไม่มีความฉลาดเกิดขึ้นเลยเพียงแต่หมายเอาจําเอาที่ไปพบไปเห็นในหนังสือบางทีได้ความซึ่งใจในความสุขใจเป็นการเป็นคราวแต่ความฉลาดที่แ ท, ท, ท้จริงยังไม่เกิดแต่ถ้าหากเรามาพิจารณาข้างในใจของเราเนี่ยเวลามันได้มาจริงๆแล้วโอ้มันมันเป็นหลัก ให้กับกิจใจของเราได้เป็นอย่างดีเป็นการปรับสภาพจึงรู้เท่าทันกิเลส ด, ด้วยแล้วไปโดยด้วยแล้วเนี่ยออจะทําให้เรามีความสุขใจสับปานใด้นะให้พวกเราตั้งอกตั้งใจ